ท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงปู่เถียมสิริปัญโญพระเถราจารย์ผู้เรืองวิชาแห่งวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นับว่า ปัจจุบันก็ยังคงเหลือซากปรากฏหักพังๆไว้เป็น อาทิ 10 เดือนธันวาคมปี 2447 ในรัชกาลที่ 5 เกิดที่ 7 อำเภอพระนครศรีอยุธยาโยมพ่อชื่อ 10 ขวบโยมพ่อก็ แต่ท่านก็ยังคงอยู่เรียนหนังสือต่อไปโดยถวายตัวเป็น 11-12 ขวบเท่านั้นพอ 16 ปี เพื่อไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำนาซึ่งขยันเป็นที่รักของญาติพี่น้องทุกคนเพราะว่าท่านเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาอบอ้อมอารีมาตั้งพ่อโยม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 ท่านได้เรียนวิชาธาตุกสิณอ่าอันนี้เป็นชื่อของกรรมฐานที่ใช้วัตถุสําหรับเพ่งเพื่อจะจูงเช่นในงาน วัดพรหมนิเวศวัดตุมเป็นต้นต่อมาก็ได้เรียนวิชากระบี่กระบองเพิ่มเช่นการประดับตกแต่ง 17 ปีเท่า นำไปประส kidnapped zu ham, bاشera, di malahi maturam di解kan dan sirashara specialisießen. ama gel chiyakundoi an跑 teman in an illusion. era Wallace law master or Langrod 401 Reh Clone, kendara boge stripes magro, a man humbug instalas, она cuy purse,上 estas patent gall Brighetti. ty bogeNetka n unintentional ccm我觉得 socie m? flew of at humbug basting tattoos, em하 titan geomgeman te même de secangle cogeces. mыл man, se doing this. the tree treeabilirsiniz. my pe Ennoissewr at the door? a critical education that you et alca spend time doing certain misconceptions onuh on your ก็เลยเป็นช่างที่ได้รับปีพอถึงกําหนดใกล้จะ โดยมีท่านพระครูวิญญาณนุวัตรกุลหรือว่าหลวง พอ 3 พอไปศึกษากรรมฐานกับหลวงพ่อม่วงวัดโบสอำเภอมหานราชแล้วก็กลับมาอยู่กรรมฐานเรียนวิชาๆซึ่งเป็นศาสตร์ลี้ พร้อมทั้งติดตัวมาด้วยตําราวิชาญสงครามกับตํารามหาระงับพิษดาลและตําราเลขยันอื่นกรกฎาคม ah 2477 หลังจากจากการศพของพท่านก็เดินทางไปศึกษากรรมฐานต่ออีก with kavram andм. ท่านกลับมาคราวนี้เป็น Ash Walker may been chased and water ได้ปี 2496 หลวงพ่อบัวลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสทางคณะสมัยที่ท่าน ได้ระลึกถึงศีลธรรมเป็นแนวทางการประพฤติตัวดำรงตน พอเขาเดินเข้าไปดูก็ปรากฏว่ามีรูปของหลวงพ่ออีกรายเป็น ระหว่างล่องเรือไปนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเรือล่มจนครอบครัวของโยมนั้นเกือบพากันตายไปหมดแต่เดชบุญ เคยมีผู้พบเห็นว่าเหมือนกับท่านยิ้มรับรู้ในการกราบไหว้ๆอัน เพราะท่านไม่หวงอ่าไม่หวงวิชา รู้ที่เมืองตักกศิลาพอสําเร็จการศึกษาแล้วก็ พระอินทร์ทรงทราบพระฤาษีตนนี้รักสันโดษก็เสด็จลงมา พระอินได้ยินอย่างนั้นก็ชักจะพอพระไทเพราะว่าการท่านดาบสท่านได้กล่าวคําอันเป็นสุภาษิตท่านดาบสก็กราบทูลว่าถ้าพระองค์จะประทานพรแล้วก็ขอประทานพรเพียง 4 ประการเถอะก็คือ 1 อย่าให้เป็นผู้ 2 อย่า 3 อย่า 4 อย่าให้เป็นผู้มีเสน่หาพระอินทร์ได้ 4 ประการเนี่ยดาบสก็กราบทูลไปว่าคนเรานั้นถ้าปราศจากความโกรธ อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นกับผู้ 4 ประการนี้พระอินทร์ได้ฟังอย่าง ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีการมี บางอย่างเช่นบาตรกดนอกนั้นท่านก็ไม่มีอะไรเก็บไว้กรองน้ําผ้าอาบ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือโจรได้เดินไปเดินมาผ่านหน้าเข้าไป ซึ่งถ้าจะเปรียบกับหลวงพ่อเถียมก็ท่านก็ตาอืมเช่นเดียวกันนับว่าเป็นเรื่องปี 2522 หลายปีแล้ว แต่วสริระของท่านก็ยังเก็บไว้ครับอดีตที่ๆสมแล้วที่